บทนีจ้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระพุทธดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดแก่ท่านเจตุกันนีปานพให้ช่วงต่อไปนั้นได้รับสั่งว่ากิเลสชาติใดในการก่อนท่านจ ง, จงเผากิเลสชาตินั้นให้เกอดแท่งไป เลเครื่องกังวลภายหลังอย่าได้มีแล้วแก่ท่านถ้าท่านจกไม่ถือรูปาริสังขารหสังขารที่มีรูปเป็นต้นในท่ามกลางท่านจากเป็นผู้สงบแล้วเที่ยวไปพระพุทธดำรัสข้อนี้เป็นการเน้นหนักถึงการประพฤติปฏิปัติ สำหรับท่านจจตุกันนีมานพนั้นกะเน้นไปที่ผลสูงสุดดังที่เคยกล่าวมาแล้วในวันก่อนซึ่งก็หมายความว่าถ้าต้องการผลสูงสุดเช่นนั้นบุคคลก็ต้องพยายามที่จะขจัดกิเล ท, ทั้งสามช่วงของความคิดเจดิญการ เกิดจากไกลขนาดใกดก็ตามและกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อจากนั้นกิเลสในอนาคตก็ไม่มีดังนั้นในชั้นของการปฏิบัติจึงอยู่ในโครงสร้างเดียวกันจะเป็นปฏิบัติในขั้นตอนใดก็ต้องอาศัยโครงสร้างเหล่านี้กิเลส ท, ที่เป็นเรื่องของอดีตนั้น ได้แก่กิเลสที่เกิดขึ้นเพราะประรพบสังขารทั้งหลายในอดีตครนี้บุคคลลองพิพจารณาดูก็จะพบว่าการประรพบถึงสัตว์ถึงสังขารทั้งหลายในอดีตอาจจะเป็นอดีตไกลๆในสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ได้และอาจจะไกลกว่านั้นคือในภบชาติอื่นๆก็ได้ คือสรุปว่าปราลบเรื่องอดีตได้อาจจะเป็นอดีตใกล้ๆได้ก่อนที่จะนั่งประพฤติปฏิบัติก่อนที่จะมานั่งฟังธรรมก่อนที่จะมานั่งปฏิบัติภาวนาก็ถือว่าเป็นเรื่องของกิเลสในอดีตบางครั้งก็มีการบ่นถึงคำพึงถึง สังขารทั้งหลายในอดีตปรารถนาคอยคว้าที่จะให้กลับคืนมาแต่นั้นจึงมีการแสดงออกมาในเชิงวัจาบ้างในการบอกเล่าหรือการย้อนระลึกวนรำลึกจนบางคนอาการหนักจมอยู่กับอดีตไม่ยอมไปเจอหน้าปัจจุบัน ทุกครั้งที่พูดในปัจจุบันจะพูดปัจจุบันได้เพียงเล็กน้อยและจะย้อนกลับกลับไปหาอาดีตทัานนี้อาจจะเกิดมาจากปัจจัยหลายประการเช่นว่าสัญญาคือความจำในปัจจุบันนั้นเสื่อมไม่สามารถจะจำอะไรได้ดัง น, นั้นท่านก็พูดเรื่องอดีตซึ่งมีความจำนิชํานานอยู่แล้วคร่องแคล่ว ผ่านการพูดมาแล้วหลายครั้งสิบครั้งยี่สครั้งสาสบครั้งท่านก็พูดกับท่านได้เรื่อยๆแล้วจะมีความชื่นชมปักใจฟังใจอยู่กับระดีตเหล่านั้นแม้แต่จะบอกเล่าเรื่องอะไรก็จะประรบอดีตกริยาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นแก่ท่านที่ผ่านวัยมาอยู่ในปัจจุมันวั เราซึ่งเมื่อไม่ได้ใช้ปัญญาพินิษฐปิจนาคล้ายๆกับว่าได้สาระแก่นสารแต่แท้จริงแล้วเป็นความสูญเปล่าของชีวิตก็เก่งเป็นการพรลาบฐานการเวลาที่ตนควรจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่านั้นไปจมอยู่กับเรื่องราวของอดีตเห็นนั้นเราคงมีรพระเจ้า จึงรับสั่งให้บุคคลเผาทำลายกิเลสชาติในการก่อนที่ไปเกาะติดอยู่ในอารมณ์เรื่องราวอะไรก็ตามจะเป็นคนเป็นสัตว์โดยความยึดมั่นถือมั่นโดยอำนาจของตันหาบ้างโดยอำนาจของอุปาทานบ้างโดยอำนาจของอความอาฆาตพยาบาทบ้างคือสรุปว่ามันก็มีได้หลายทางเรื่องอดีตนี้ อาจจะในสายความชอบอาจจะในสายความชังอาจจะในสายของความหลงอาจจะในสายของการแข่งดีกันจะเกิดความพ่ายแพ้ผิดหวังโทมนัสกัดกร่อนใจแต่และอย่างนั้นก็สรุปรวมอยู่ในกลุ่มของกิเลสเครื่องกงังวลอยที่เกล่าวไว้นะครับก่อนเรทรงสอนให้เผากิเลสชาติเหล่านั้นทําลายกิเลสชาติเหล่านั้น ให้เกิดแห้งไปท่านบอกว่าให้แห้งให้เกรียมให้กรอบตามให้ไม่มีพืชเป็นการอาศัยรูปธรรมเข้ามาอธิบายคือเรียกว่าย้ายมีหน่อเจริญเ ต, ญเติบต่ตไปนั่นเองอ่าอาจจะลากก็ได้บรรเทาก็ได้โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ทำให้หมดสิ้นไปบะบางไป การปรรบเรื่องราวในอดีตนั้นบางครั้งก็ปรรบได้ในกรณีที่นำมาใช้เพื่อเป็นบทเรียนในปัจจุบันแต่จะต้องเป็นการปรรบซึ่งไม่มีปัญหาจะสร้างความกังวลให้เกิดขึ้นกิดจิตใจเพ็นงแง่ของกรรมฐานบางอย่างอารมณ์บางอย่างเป็นการย้อนอดีต เช่นว่ า, าศีลานุสติการระลกึะลกถึงศีลของตนก็ดีจากขาดนุสติระลึกถึงจากขะก็ดีก็ระลึกถึงเรื่องของอดีตการนำลึกถึงคุณพ่อแม่ก็เป็นการนำลึกถึงเรื่องอดีตแต่การนาลึกในลักษณะนี้มันเพิ่มธรรมะระลึกเมื่อไรเป็นการเพิ่มธรรมะขึ้นทั้งก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ในกรณีนี้เป็นการรำลึกและเพิ่มกังวนเพิ่มกิเลสดัง น, นั้นจึงเป็นการวินิจฉัยคือจะต้องวินิจฉัยไปตามสมควรแก่กรณีของการย้อนดำลึกหรือวนดำลึกด้วยซึ่งข้อนี้ถ้าหากว่าในเชิงของการรพฤติปฏิบัติเพื่อแม้เกิดความสับสนในการวินิจฉัยลักษณะทางอารมณ์ที่ย้อนอดีต ก็มองดูถึงสภาพจิตในขณะย้อนระลึกว่ามันเพิ่มความกำนัดขึ้นหรือเปล่าเพิ่มความอยากได้ขึ้นไหมเพิ่มกำนัดขึ้นไหมเพิ่มการมาตัญหาขึ้นไหมเพิ่มความเพลิดเพลินความยินดีแล้วลึงหลงในเรื่องอดีตหรือไม่้าก็เพิ่มก็ต้องทำลายความคิดนั้นไปแต่ถ้าหากว่าไม่เพิ่ม มันมีการลดละเหนื่อยหน่ายผ่อนคลายลงไปพบสิ่งสวยงามต่างๆมามากแล้วในอดีตมันก็เสืมสลายไปคนที่เคยรักเคยชอบก็มีเปลี่ยนแปลงล้มหายตายจากไปสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เคยรักเคยชอบก็มีการแตกทำลายไปสูญหายไปแม้จะได้ในปัจจุบันมันคงจะทานองเดียวกันลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันคลายกำลัง จริงก็เป็นการคิดถึงอดีตแต่คลายกำนัดได้เมื่อคลายกำนัดได้ก็คิดได้การวิเคราะห์ตรวจสอบถึงสภาพจิตจึงเป็นเรื่องที่สาคัญไม่จะมองไปในแง่เดียวมุมเดียวว่าจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเรื่องอดีตแล้วคิดไม่ได้คิดได้แต่ต้องคิดเพื่อเพิ่มปัญญาความรู้เพิ่มความเมตตากรุณา เพิ่มความสงบเยือกเย็นเป็นต้นขึ้นภายในจิตใจของบุคคลอย่างการคิดค้นเรื่องราวต่างๆแม้แต่ของพระพุทธเจ้าเองก่อนที่จะรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นที่จริงก็มองย้อนอดีตเหมือนกันมองย้อนถึงผลที่โปร่งเคยสัมผัสในสมัยเป็นราชกุมารมองถึงรูปฌานรูปฌาน ที่ทรงได้ในสำนักของอาจารย์ทั้งสองแล้วก็มานำมาผสมผสานกำหนดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพื่อสัสรูโดยทรงเน้นไปที่ความเพียรคือหาจุดบกพร่องในการประพฤติปฏิบัติที่อดีตสมัยอดีตกลัมากแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันหรือปัจจุบันยุคของพระพุทธเจ้านะ และในสุดพระองค์ก็ประสบความสำเร็จทังการวิเคราะห์จิตจึงอย่าไปคิดในแนวว่าอดีตคิดถึงไม่ได้แต่ต้องมองในแนวว่ามันลดกิเลสหรือเพิ่มกิเลสถ้าลดกิเลสได้ก็ย้อนคิดได้พุทานุสติที่จริงก็เป็นการระลึกถึงเรื่องอดีตของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติก็ระลึกถึงเรื่องอดีต พวกอั น, นี้สติอนุสติส่วนมากแล้วก็เป็นเรื่องอันดีตแต่เมื่อระลึกไปแล้วเกิดความสงบเกิดความรู้ยิ่งเกิดความรู้ดีขึ้นภายในใจตนให้ความมาความกำหนัดที่เคยมีก็จางลงความกิดเกอนที่เคยมีก็จางลงความลุ่มหลงที่เคยมีก็จางลงความประมาทเลินเล่อเผล f, เิเพลินที่เคยมีก็จางลง ถ้าเป็นกรณีเช่นนี้ก็ระลึกได้ย้อนระลึกได้แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทาลายแต่ถ้าความระลึกเป็นความระลึกด้วยความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเพิ่อขวัญคร้ได้ใครมีใค ร, ใครเป็นอย่างที่ตนเคยเป็นในอดีตเคยมีในอดีตแต่ามักจะพอใจติดใจในส่วนที่น่าปรารถนา ชีวิตของคนเราในอดีตมันก็ไม่จะดีเสมอไปมีเป็นดีมีสุขมีทุกข์ปนขะกันไปในเวลาไ ข, ขว้คว้านั้นปรารถนาไขว้คว้าเฉพาะส่วนดีแต่ในขณะเดียวกันส่วนไม่ดีก็ก่อให้เกิดคว า, ามปฏิฆะการกระทบกระทั่งทางใจมีความโกรธเป็นความอาฆาตพยาบาเป็นต้นแลอย่างที่มีการปลุกเร้าให้เกิดความแตกแยก เกิดการแก้แค้นใะนเกิดการล่างพระนอะไรต่างๆนั่นเราจะเห็นว่าก็เป็นการประรบเรื่องราวในอนดีตเพิ่มกิเลสแต่ในขณะเดียวกัน <c oughs> บางครั้งมากราวก็มีการเล่าถึงอุปการะคุณของบรรพชนอุปการะคุณของครูบาอาจารย์่ของท่านเหล่านั้นเหล่านี้ เคยย้อนรำลึกถึงความดีของท่านมีจิตสำนึกที่กรอบด้วยความกตัญญูกตเวทีปรากฏขึ้นภายในจิตก็ไม่มีปัญหาอะไรในการคิดเรื่องเหล่านั้นสรุปว่าถ้าคิดแล้วมีผลเปลี่ยนแปลงในทางลดละบรรเทาอย่างเราเรียนประวัติศาสตร์มันก็ขจัดความหลงคือความไม่รู้ออกไปจากใจถึงเรื่องราวต่างๆที่เป็นอดีต อย่างน้อยก็ในชั้นของการศึกษาเราเรียนกิเลสมันก็ลดลงไปได้ในจุดนั้นเพราะงั้นาการศึกษาเราเรียนในกรณีนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเป็นการเพิ่มกิเลสเพิ่มความเป็นของเรามากขึ้นเพื่อความเป็นเรามากขึ้นเพิ่มความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นก็ให้ตัดทําลายพวกกิเลสในอดีตเหล่านั้นไป อย่าไปกระตุ้นขึ้นอย่าไปริเริ่มขึ้นดังข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าในกรณีที่ต้องการสอนให้บุคคลปล่อยวางทั้งอดีตปล่อยวางทางอนาคตปล่อยวางไปในแง่มุมต่างๆเพื่อให้กิเลสเครื่องกังวลหรือว่ากาหะ เรื่องยึดถือกันตามจะจางประางลงไปจนถึงก็หมดสิ้นไปจากจิตใจของบุคคลนั้นขยามที่ทรงสรุปแสดงไว้ในอนัตตลกณาสูตรที่ให้บุคคลพยายามมองรูปในปัจจุบันด้วยก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารในปัจจุบันด้วยก่อนถต่มม่เห็นความจริงในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในปัจจุบัน มาแท้จริงแล้วก็ไม่มีอะไรของไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดามีฐานที่จะรับฟังเหตุผลในด้า น, นอื่นๆแล้วก็ทรงกระจายออกไปทั้งหมดเลยคือทั้งรูปที่เป็นอนดีตรูปที่เป็นอนาคตรูปที่เป็นปัจจุบันหมายถึงเวทนาตัณาตังหาริวิญญาณด้วยนั่นแหละ ทั้งที่เป็นหยาบทั้งที่เป็นละเอียดทั้งที่เลวทั้งดีทั้งใกล้ทั้งไกลก็แท้จริงมันก็ไม่มีอะไรจะแต่ว่าเป็นรูปเท่นั้นเองจะแต่ว่าเป็นเวทนาเท่านั้นเองจะแต่ว่าสัญญาสังขารวิญญาณเท่านั้นเองนี่ก็ที่จริงก็ย้อนอนดีตแต่มันลดกิเลสเกิดปัญญารู้เห็นถึงความจริงว่า แท้จริงแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราซึ่งทรงเน้นว่าขอ้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นโดยปัญญาชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นการคิดิคิดปินิพพิจารณาแล้วเกิดปัญญาเห็นชอบขึ้นจนผ่อนคลายกิเลสจะมีชื่ออย่างไรก็ตามให้บาบางลงไปได้ เาจุว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกตงตามหลักในพระพุทธศาสนาอยู่ที่นี่กิเลสนัน้นไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของอดีตบางทีก็มีแม้ในเรื่องของปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็ต้องมองในเรื่องที่รท่านใช้คำว่าท่ามกลางคือกิเลสในส่วนที่เป็นท่ากลางได้แก่อะไร ได้แก่จิตที่ยังกำหนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในพูดง่ายว่าขันหัก็ได้กันรูปเวทนาตัญญาสังขารวิญญาณเราอาจจะมองในแนวนามรูปหรือจะมองในแนวอะไรก็ตามแต่มันก็อยู่ที่ขันหักที่ท่นานใช้คําว่าอุปาทิสังขารก็ต้องไม่ถือไม่ยึดถือไม่ลูคบคลำไม่เพลิดเพลินไม่ติดใจซึ่งสังขาร ใ้ปัจจุบันที่เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสอะไรก็ตามในที่นี้ก็ทรงชาก้กรรมตัณหาโดยสามารถทิฏฐิด้วยมานะอะไรก็ตามแหละในกรณีเหล่านี้มักจะใช้คําเป็นคํามคำคือตัณหามานะทิฏฐิเลยเข้าใจง่าย แล้วก็ต้องดูจิตของตนเองในปัจจุบันม่นเช่นการกำหนดระลึกจะตั้งสมาธิหรือทำอะไรก็ตามตัณหาเพิ่มหรือตัณหารดมานะเพิ่มหรือมานะลดทิฏฐิเพิ่มหรือทิฏฐิลดอย่างในกรณีที่ทรงสอนเป็นโครงสร้างของการปฏิบัติ ดานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ดีธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ดีในกรณีนี้ก็คือโครงสร้างการวิเคราะห์จิตตามแนวของนิวารณาประปปะนั่นเองซึงควหมายความว่าดูจิตของตนในขณะนั้นว่าตัณหาคืออาการดิ้นรนทเยอทยานอยากของจิตมีอยู่ในขณะนี้หรือไม่ถ้ามี ก็ต้องมองกลับไปว่าก่อนที่มันจะเกิดมันมีอะไรกระตุ้นให้เกิดเพราะปัญหานั้นไม่ใช่บังเกิดครองใจอยู่ตลอดบางครั้งก็มีการลดละผ่อนคลายบันเทาจนธรรมะเข้าคุ้มครองใจแต่ในขณะปัจจุบันนั้นอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดจนเฉพาะว่าตามปกติแล้วตัญหานั้นจะเกิดได้ทุกจุดของอารมณ์ เกิดที่อายตนาภายในภายนอกเกิดที่วิญญาณ เ, าเกิดที่สัมผัส เ, เกิดที่เวทนาเกิดที่ความสึกนึกเกิดวิจตุจาอะไรก็ได้มันเกิดได้ทั้งนั้นแต่ดูเฉพาะในกรณีดัง น, น, น, นั้นเกิดขึ้นมาจากตัวไหนจึงหมายความว่าในเชิงของการประพฤติปฏิบัติแล้วสติปัญญสติสัมปชัญญะก็ต้องมีกำลังมากพอที่จะระลึกรู้ถึงความจริงที่แท้จริงว่าเกิดมาจากอะไร แล้วก็พยายามดับตานาที่เกิดขึ้นหรือแม้มาหน้าทิฏฐิก็ทำหนองเดียวกันทีนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมองว่าสามารถที่จะลดละบรนเทาระงับดับแก้ได้ด้วยวิธีการยังไงก็ต้องหาวิธีการเหล่านั้นอย่าในขั้นของการปฏิบัติสมาธิภาวนา เรจะเรียกว่าสมถภาวานานั้นเมื่อสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนได้ตัณหาก็จะสงบงไปอย่างน้อยก็ในขณะนั้นๆก็ถือว่าเป็นการดับตัณหาได้ในปัจจุบันผ่อนคลายความรุนแรงของตัณหาลงได้ในปัจจุบัน แต่การมองในแนวนี้คือถ้ามองปัจจุบันนั้นจะต้องมองทุกแน่ทุกมุมเพราะว่าการอดับตัณหานั้นก็ไม่ใช่ดับได้ง่ายๆชั้นแรกก็เอาเพียงหยาบหยาบคือลดความรุนแรงของตัณหาลงไปชั้นที่สองก็อาจจะเป็นการสยบกระแสของตัณหาไว้ไม่ให้กระแทกกระทันใจมากเกินไป แล้วจนสยบไปได้นานๆด้ววิธีการทางนั่งสมาธิแต่เพิ่งเข้าใจว่าภารกิจของคนนั้นไม่ได้มีเวลามานั่งสมาธิอยู่ตลอดเาก็มีเรื่องเราอืน่นที่จะต้องประพฤติที่จะต้องปฏิบัติทั้งกระทําบบาเพ็ญนอกจากว่าคนที่ว่าสละแล้วจริงๆด้วยการทั้งปงัวจริงๆคือมุ่งไปในด้านนี้ก็เป็นเรื่องหอนึ่ง ระดังนั้นการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูสภาพจิตของตนในแต่ละขณะ เ, เช่นว่าจิตประกอบด้วยตัณห า, าหรือมานะหรือทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ในขณะนั้นๆั้นแต่เห็นว่ามีก็มองย้อนกลับไปถึงสาเหตุที่ให้เกิดแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็มองไปถึงวิธีดับ ย่าน้อยก็วิธีลดละบรรเทาคือรํารวมระวังและการดับนั้นก็อย่างที่ว่าว่าบางครั้งก็กําเริบได้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะกําเริบได้เพราะฉะนั้นโลกิยธรรมยังไงยังไงพวกเหล่านี้ก็ต้องกําเริบได้อยู่บ้างทั้งควจะกําเริบเมื่อไหรจะอยู่นานขนาดไหนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เพื่อจะทำยังไงจึงจะสงบไปได้ น, น, นานๆทีนี้ถ้าหากว่ามองไปเต็มรูปคือสู่เป้าหมายที่เต็มรูปอย่างที่ท่านสจตุกันนีท่านต้องการมราก็ต้องตัดกระแสแห่งตัณหาถึงไหลไปในอารมณ์เท่าไหลร่ควรจะตัดที่ไหนตามปกติแล้วเกิดที่ไหนก็ตัดกันที่นั่น เมื่อตนาเกิดได้ที่อายตนาภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาวิถกวิจารตัแม้แต่ตัวตนาเองตลอดถึงสัญญาสันจิตตนาและการจะดับมันก็ดับได้ทุกจุดอย่าที่ทรงแส ด, แดงในเชิงเต็มรูปเอาไว้ในมารตรีประธานาสูตรนั้นโทรงที่เห็นว่าตนาเมื่อจะเกิดเื่อเกิดตรงนี้ที่กล่าวแล้วเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ตรงนี้ วันเมื่อจะละเมื่อจะดับก็ดับกันตรงนี้ดับที่ไหนดับที่เวทนาก็ได้ดับที่อายตตะก็ได้สมมุติว่าจะไปดับที่อาจตนะภายนอกคือดับที่รูปเสียงกลิก่นรสผุดกระเพในธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจแม้แต่ชั้นของการบรรเทาคือตัณหาไม่ขึ้นกลุ่มรุมใจ บุคคลก็จะมองเห็นว่ารูปก็คือรูปเสียงก็คือเสียงกลิ่นก็คือกลิ่นรสก็คือรสสัมผัสก็คือสัมผัสอารมณ์ก็คืออารมณ์ไม่นํามาปรุงคิดไม่นํามาคิดปรุงอะไรสืบต่อไปจากนั้นเพื่อให้เกิดเดียดเพิ่มขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่านอายาธารุจริระคือมาขอให้พระพุทธองค์ทรงแสดงทำแก่ท่านร่างถนนในขณะที่บินาบาต พระเจ้าทรงแสดงโดยสรุปง่ายๆว่าเมื่อเห็นก็สักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินเมื่อทราบก็สักแต่ว่าทราบเมื่อรู้ก็สักแต่ว่ารู้คือย้ายกิเลสเกิดขึ้นเพราะการได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แต่ถ้าเมื่อเห็นเมื่อยินเมื่อทราบเมื่อรู้แล้วธรรมะเพิ่มขึ้นความสงบเพิ่มขึ้นความเจ็นกายเจริใจเพิ่มขึ้นเก็ต้อง ใจใจสำเนียกศึกษาเราเรียนเพื่อเพิ่มพูนสิ่งเหล่านั้นขึ้นภายในจิตใจเพราะพอ ม, มาถึงปัจจุบันเองก็มองเฉพาะในกรณีที่มันเกิดกิเลสหรือเพิ่มความกำหนัดเพิ่มความกับเครื่องเพิ่มความรุ่มหลงเพิ่มความมัวเมาเท่านั้นไม่ใช่ว่าปิดประตูตายไม่ยอมรับรู้อะไรแต่ในในกรณีที่มันเกิดความสงบขึ้นมา ในเชิงของการปฏิบัติตึงสังเกตว่ า, าตัวอย่างเช่นในโพชชังขปภะคือหมท่ว่าโดยโพชชงเป็นเรื่องของกุศลล้วนๆก็ให้ดูตัวอย่างเช่นว่าดูว่าสติเนี่ยมันมีอยู่หรือไม่ถ้ามีก็ทำอย่างไรจึงจะรักษาไปแล้วจะเพิ่มปูนขึ้นให้กลายเป็นสติบัญญัต จริงๆก็เป็นการเรื่องมองในปัจจุบันเหมือนกันแต่นี้คือมองในฝ่ายของธรรมะโน้นมองในฝ่ายของกิเลสเมื่อเห็นกิเลส ก, ก็ต้องลดละเห็นธรรมะก็ต้องรักษาอาจจะไปละกันหมดแลักษณะเหล่านี้ก็ทำนองไก้คล้ายกับการกวาดบ้านกวาดเรือนไม่ใช่ว่ากวาดกันไปหมดเลยก็ต้องพิจารณาสิ่งที่กวาดในขณะกวาด มกวาดไปรวมไว้แล้วก่อนก่อนจะลงถังขยะก็ต้องพิจารณาไม่ใชเอาไปลงรวดเดียวทั้งหมดเลยต้องพิจารณาเลือกก่อนอะไรควรลงอะไรไม่ควรลงเพรการพิจารณาในแนวนี้ที่จริงก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันของบุคคลหากว่ามีการเพิ่มปูนได้มากขึ้นมันก็จะช่วยลดละบันเทากิเลสให้จางลงไป จากนั้นการไ ข, ขว้าในแนวอนาคตปรารถนาถึงเรื่องอนาคตการปรารถนาอนาคตมันก็มองในแนวเดียวกันเพื่อจะปรารถนาเพื่อจะได้จะมีจะเป็นปรารถนาจะโต้อตอบทำลายแก้แค้นล้างแค้นก็ถือว่าเป็นความสึกนึกด้วยแรงดันของกิเลสด้วยตัณหามานาทิฏฐิทั้งนั้นแล้วนั่นก็สอนให้ ล่าผ่อนคลายบรนเทาเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นบุคคลเหล่านั้นก็จะสัมผัสผลผลที่เต็มรูปนั้นได้ส่งแสดงไว้ว่ากิเลสกิเลสชาติใดในการก่อนท่านจงเผากิเลสชาตินั้นให้เกิดแท้งไปกิเลสเครื่องกังวลในภายหลังอย่าได้มีแล้วแก่ท่านถ้าท่านจากไม่ถือในท่ามกลาง หลังจากเป็นผู้สงบแล้วเที่ยวไปก็หมายความว่าปลอยวางทั้งกิเลสละทั้งกิเลสทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตก็เลิกพูดกันเมื่อไรปัจจุบันได้แล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่สงบเย็นจริงๆดํารงชีวิตอยู่หรือจะไปในที่ใดก็ตามหั่นคือโครงสร้างในการคือปฏิบัติ แต่ผลที่จะเกิดขึ้นจากการรับพิสปฏิบัตินั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่บุคคลได้ประกอบประถรมลงไปตอปนไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจตั้งความสงบสืบต่อไป